Thank mm -hmm. you. วันหนึ่งมี24ชั่วโมงแต่ถ้าจะแบ่งคร่าวๆเนี่ยมันก็มีแค่สองช่วงเรืยสองสภาวะก็คือกลางวันและกลางคืนร่างกายคนเราก็เหมือนกันนะวันหนึ่งวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยมันก็มีแค่สองช่วง สองโหมดนะก็คือตื่นกับหลับไม่ได้นอกเหนือจากนี้เลยจิตใจเราก็เหมือนกันนะยีบสี่ชั่วโมงหรือว่าตลอดทั้งชีวิตมันก็มีแค่สองโหมดหรือว่าสองสภาวะก็คือรู้นะกับหลงตื่นกับหลับเนี่ยมันเป็นสภาวะของร่างกาย คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตื่นมากกว่าหลับเราตื่นสิบหกชั่วโมงบางคนก็อาจจะถึงยี่สิบชั่วโมงเพราะว่านอนน้อยทำงานเยอะแต่ถ้าพูดเรื่องพูดถึงเรื่องของจิตใจแล้วเนี่ยมันตรงข้ามนะคนเราเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยหลงมากกว่ารู้ คำว่ารู้เนี่ยหมายถึงว่ารู้ตัวนะที่จริงมันมีอยู่สองอย่างนะรู้ตัวกับรู้ความจริงหรือว่าเห็นสัจธรรมแต่ว่าอันหลังนี้อาจจะยากสักหน่อยสำหรับคนทั่วไปรู้พื้นฐานคือรู้ตัววันวันนึงเนี่ยคนเรารู้น้อยกว่าหลงนะเราหลงเสียมาก แม้แต่เวลาที่ตื่นก็ไม่ได้แปลว่าเรารู้ตัวตลอดเราหลงมากกว่าเราไม่รู้ตัวมากกว่าตื่นกับหลับนี่มันเป็นเวลานะเราส่วนใหญ่เราตื่นเป็นเวลาแล้วก็หลับเป็นเวลาแต่ว่าจิตใจเราเนี่ย รู้กับหลงนี่มันไม่เป็นเวล่ำเวลานะไม่เป็นเวล่ำเวลาเลยเอาแน่เอาน้อยไม่ได้ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าเราปล่อยให้สิ่งแวดล้อมนี่เข้ามามีอิทธิพลต่อจิตใจเรามันก็หลงมากกว่ารู้แล้วก็หลงบ่อยๆด้วย อย่างที่บอกวไว้แล้วว่าหลงเนี่ยคือไม่รู้ตัวแม้เวลาเราตื่นเราทำโน่นทำนี่เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเรารู้ตัวตลอดนะขนาดเราสวดมน์เนี่ยการที่เราสวดมน์ป่าเราก็ว่าไปแต่บางทีเราทำด้วยความหลงก็มีนะก็คือตอนนั้นเราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะใจลอย อย่าไปคิดว่าคนที่หลงเนี่ยก็คือคนที่เป็นบ้าหรือว่าเมาไมายหรือว่าสลบนีนะแม้ตื่นนะแม้ว่าทําอะไรหรือพูดอะไรรู้เรื่องเนี่ยก็ จ, จะทําไปด้วยความหลงส่สดมนก็ หลงบ่อยเพราะว่าใจลอยโดยเพราะคนที่สวดคล่องไม่ต้องกางหนังสืออ่านปากก็ว่าไปแต่ใ จ, ใจไม่รู้อยู่ไหนเวลาฟังนิยมกันนะฟังเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ฟังด้วยความรู้ตัวนะบางทีก็มีความหลงแทกเข้ามาเป็นระยะระยะแล้วก็บ่อยๆเวลาขับรถเนี่ยหลายคนก็ขับไปด้วยความหลงก็มี การที่ว่าหลงทางหลงทางเนี่ยบางทีไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่รู้จักทางนะแต่เป็นเพราะว่าขับรถไม่สังเกตไม่สังเกตป้ายป้ายเขาบอกให้ชัดเจนป้ายตัวใหญ่ใหญ่แต่ตอนนั้นใจลอยแทนที่จะเลี้ยวก็ตรงไปแล้วก็เลยหลง ตอนนั้นเน่เรียกว่าในช่วงขณะนั้นเนี่ยมันหลงและคนเราถ้าปล่อยให้ความหลงเนี่ยครองใจเนี่ยมันก็แย่นะเพราะว่าอาจจะมาถึงทำอะไรผิ ด, ผดพลาดบางอย่างมันก็ผิดพลาดไม่มากนะเช่นเวลาเราล้างจานเราไม่ได้ล้างด้วยความรู้ตัว เราหลงเพราะว่าใจกำลังลอยเข้าไปในความคิดและบางทีก็หลงเข้าไปในโลกแห่งความคิดไอ้มือเนี่ยก็ล้างจานเป็นอัตโนมัติดว้วยความเคยชินบางทีก็วางจานวางชามวางช้อนวางซ่อมผิดที่ผิดทางอันอย่างนี้เสียหายไม่มากแต่ถ้าเกิดว่า เราไม่ได้จิตใจมันไม่ได้หลงเข้าไปในความคิดแต่มันหลงเข้าไปในอารมณ์เนี่ยเช่นความโกรธเมา่อหลงเข้าไปในความโกรธเนี่ยก็อาจจะเผลอด่าว่าหรือว่าถึงขั้นทำร้ายบางทีก็เผลอด่าว่าพ่อแม่เพราะว่าดื้อนะ ไม่ทำตามที่เราแนะนำป่วยเป็นมะเร็งปอดก็ยังสูบบุหรี่แอบสูบเป็นเบาหวานก็ยังแอบกินของหวานข้าเหนียทุเรียนเงนี้ย้เราก็ห้ามแล้วห้ามอีกก็ไม่ฟังก็ยังเถียงว่าไม่ได้กินคราวนี้พอเห็นค้า เรียกว่าคาตารล้กวกาโกโรธเนยะก็เลยว่าออไปหลายคนก็บอกว่าไม่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจว่าตอนนั้นมันเผลอไปอันนี้ก็ยังดีนะเป็นแค่ว่าร้ายพูดร้ายนะไม่ถึงขั้นทำร้ายแต่ว่าหลายคนก็ทำอย่างนั้นเรียกว่าด้วยความลืมตัว ทำไมถึงลืมตัวก็เพราะตอนนั้นโกรธจัดนะอาจจะตีลูกนะตบหน้าคู่รักหรือว่าเอาไม้ฟาดเนี่ยอันนี้ก็เกิดขึ้นนะอยู่บ่อยๆนะในหมู่คู่รักนะพอหลงแล้วมันทำให้ลืมนะลืมลืมอะไรลืมตัวหรือลืมตะหนักถึงโทษของการทำเช่นนั้น ตอนนั้นมันโกรธมันก็อยากจะทำอะไรก็ได้ที่ทำให้สาะใจหรือว่าระบายความโกรธออกไปมันลืมทุกอย่างลืมถึงผลร้ายที่จะเกิดขึ้นตามมาลืมกฎหมายลืมระเบียบต่างๆแล้วชื่อมันคือลืมตัวเสร็จแล้วก็มาเสียใจภายหลัง บางคนนี่ทำร้ายเขาไป ถ, ถึงเสียชีวิตไปแล้วยิงเขาตายหรือว่าเอาไม้ฟาจนตายเสียใจจากความกลัวมันกลายเป็นความรู้สึกผิดแล้วนะมันท่วมท้นใจรู้สึกอับอายขายหน้านะถ้าเกิดว่าคนรู้หรือว่ารู้สึกกลัวอันตรายผลร้ายใจตามมัติดคุกติดตารางเสียชื่อเสียง ทนไม่ไหวที่จะต้องไปอยู่สภาพเช่นนั้นทั้งความรู้สึกผิดนะที่มันบีบคั้นใจทั้งความกลัวที่มันท่วมท้นตอนนั้นก็ลืมตัวอีกรอบหนึ่งนระตอ น, นี้ทำร้ายตัวเองเลยยิงตัวตายอย่างที่เราก็มาเห็นเป็นข่าวฆ่าเมียเสร็จแล้วหรือฆ่าชู้รักแล้วฆ่าตัวเองตายบางทีฆ่าลูกนะอันนี้เรว่าพอหลงแล้วก็ลืม แล้วพอลืมแล้ก็หลงเข้าไปหนักหนักเข้าไปหลงเพราะอารมณ์อารมณ์มันเกิดขึ้นชั่ววูแล้วก็ลืมตัวทําในสิ่งที่ไม่สมควรทำํำ แ, แล้วพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็หลงอีกรอบหนึง่งแล้วก็เลยทําในสิ่งที่หนักกว่าเดิมแล้วหลงกับลืมนี่มันคู่กันนะคนไทยมันใช้คํำว่าหลงหลงลืมลืม แต่เขาว่าหลงลงืมลืในที่นี้เนี่ยก็ใช่คนที่เหมือนกับอ่าแค่ว่าอายุมากแล้วความจำก็สั้นลงพวกโรคชรลาโรคอลัลไซเมอร์แต่ถึงแม้ไม่แก่นี่เราก็ห ล, ลงลงลืมลืมได้นะคนที่ชอบลืมของไปประจำอ่ะลืมโทรศัพท์บ้างละลืมกุญแจบ้างละ ลืมกระเป๋าเงินบ้างล่ะเนี่ยหรือลืมแว่นตาปากกาเป็นต้ น, นลืม่าคือไม่รู้ว่อยู่ไหนก็จำได้ว่าวางเอาไว้หรือว่าเมื่อกี้เพิ่งใช้อยู่แน่ใจรลยว่าไม่มีใครขโมยไปเพราะว่ายัางได้ใช้อยู่แล้วก็วางกับมือแต่จำไม่ได้ว่าวางไวตรงไหนเพราะตอนนั้นมันหลงหลงเข้าไปในความคิดนะใจ้อย คนเราพอใจลอยเนี่ยมันก็ทำอะไรตอนนั้นก็ไม่ไม่รู้เนื้อรู้ตัววางปากกาวางโทรศัพท์ทำด้วยความไม่รู้ตัวหรือบางทีเพราะใจตัวีหนเป็นเพราะว่าใจมันไปคิดถึงสิ่งอื่นข้างหน้าเช่นมือกำลังจับโทรศัพท์อยู่เสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเนี่ย ต้องเขียนข้อความบันทึกเอาไว้หรือว่าจะต้องไปคย์คอมพิวเตอร์ตอนนั้นใจมันก็สนใจไอ้สิ่งที่จะทำข้างหน้าหรือทำถัดไปมันก็ลืมเลยวางโทรศัพท์ทันทีเลย<ม>เพื่อไปทำงานข้างหน้าแต่แล้วก็เนื่องจากทำด้วยความหลง ไม่รู้ตัวพอถึงเวลาจะใช้โทรศัพท์นึกไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนนี่เรียกว่าหลงเข้าไปในความคิดแต่อย่างที่บอยนล้นหลงที่หนักกว่าคือหลงเข้าไปในอารมณ์มันไม่ใช่อารมณ์กลรธ อ, อย่างเดียวนะความอยากก็เหมือนกันนะทามากๆเนี่ยมันก็ลืมนะคนที่เห็นเห็นเงิน เห็นธนบัตรปึกใหญ่หรือว่าเห็นสร้อยนเพชรวางอยู่บนโต๊ะอาจจะเป็นเพราะร้อนเงินหรือเพราะความอยากจะได้นซื้อของบางอย่าง <driveway> เห็นของมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ลืมตัวนะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีความอยากมากถ้ามีความอยากมากก็ ก็ไม่รู้ละคว้วาทันทีเลยแต่จะว่าเผลอคร้าก็ได้พาะไม่ได้เป็นขโมยอาชีพตอนนั้นก็ลืมไปนะลืมตัวแล้วก็ลืมว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมาถ้าเกิดถูกจับได้เสร็แล้วก็เดือดร้อนภายหลังบางคนไอความอยากไม่ใช่ความอยากได้ทรัพย์แต่มันเป็นความอยากในเชิงราคะก็เรียกว่าหน้ามึกนะ ก็ลืมตัวไปทำไม่ดีไม่ร้ายซึ่งกับคนซึ่งบางทีก็เป็นคนที่ใกล้ชิดที่ยิ่งส่วนใหญ่ไอ้ความการคดีที่เรียกว่าข่มขืนกระทาชำเราเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนที่รู้จักกันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เยือเนี่ยก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดนะกับผู้กระทำ แต่เพที่ไม่รู้จักกันเนี่ยคนแปลกหน้าเนี่ยเทียบสัดส่วนแล้วน้อยกว่าน้อยกว่าคนที่น้อยกว่ากรณีที่เหยื่อเนี่ยกับคนกระทำเนี่ยรู้จักกันใกล้ชิดกันแต่ด้วยความน้า ม, มึนนะก็เลยทำโดยที่อาจจะไม่เฉลียวใจหรือโดยที่อาจจะลืมไม่ได้ซ้ำว่าทำกับผู้ที่เป็นผู้ยาวน่ติดคุกจากสถานเดียว ตอนนั้นมันหน้ามืดไงนี่ล้วก็ลืมนะลืมเพราะอะไเพราะหลงหลงเข้าไปในความหลงเข้าไปในอารมณ์เพราะนั้นถึงแม้จะจะไม่ได้กินเหล้านะไม่เมามายแต่คนเราก็นะสามารถจะทำอะไรด้วยความไม่รู้ตัวถ้าเป็นความเมานะถ้าถ้าหลงแบบถ้าหลงมากๆจนเรียกว่าเมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เมาเหล้านะแต่มันเมาความคิด หรือเมาอารมณ์ ท, ท, ทั้งๆที่ทำอะไรรู้เรื่องคุยรู้เรื่องนะแต่ว่าเรียกว่าเมาเรียกว่าหลงคนเมาที่บางทีเมาหนักๆ น, น, นี่ไม่รู้เรื่องนะคุยไม่รู้เรื่องแต่เมาความคิดเมาอารมณ์นี่มันยังพอรู้เรื่องอยู่แต่ว่าทำไปโดยไม่รู้ตัวนะก่อความเสียหายบางทีมันก็เป็นความทุกข์ ก่อความทุกข์แก่ตัวเองนะหากจมเข้าไปในอารมณ์หรือหลงเข้าไปในความคิดคนเราเนี่ยนะหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์นี่เป็นวันๆนะ ท, ทั้งที่ทุกทุกมากเลยแต่ก็ไม่รู้ตัวคนเราทุกโดยไม่รู้ตัวนะกันทั้งนั้นแหละ พอถ้ารู้ตัวมันไม่ทุกข์หรอกออันนี้พูดนะเอาแปลกจะเอเวลาทุกข์มันจะไม่รู้ตัวได้ยังไงคนเวลาทุกข์ก็มักจะบ่นโอดครวญว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นทําไมชั้นโชคร้ายแบบนี้เนถ้าดูมาเขารู้ตัวนะพอเขาทุกข์แต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ รู้ตัวในความหมายที่เราพูดถึงกขเป็นทุกข์มากกว่ารู้ทุกข์คนเราเนี่ยถ้าเพียงแค่รู้ตัวในเวลาที่ทุกข์เนี่ยมันหลุดนะมันหลุดมันไม่ปล่อยให้ความทุกข์มาครองใจไม่ปล่อยให้อารมณ์มาครองใจจนเป็นบ้าเป็นหลังนั้นมีผู้ิงคนหนึ่งเนี่ยเธอ อยู่กับสามีมาอย่างมีความสุขอยู่กันมาสิบปีแล้ววันนึงก็เพราะความจริงว่าสามีเนี่ยนอกใจนอกใจมาหลายปีแล้วเธอโกรธแค้นมากก่อนหน้านี้เธอเคยคิดว่าถ้าเธอไม่มีสามีคนนี้เธอจะอยู่ยังไงแต่พอรู้ความจริงนี่เจ็บปวดแล้วก็ สุดท้ายก็ตัดสินใจเลิกกันมันเป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดนะแต่ก็เป็นวิธีเดียวเนี่ยเป็นวิธีที่ดีสุดตอนนั้นโกรธมากโกรธสามีมากเวลาพูดจาทะเลาะอันนี้ขึ้นกูขึ้นมึงกันเลยจากเคยที่เคยใช้คาว่าเธอหรือฉันขึ้นกูขึ้นมึงเลิกกัน ด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีทีแรกเธอคิดว่าเนี่ยถ้าเลิกกันเธอคงจะแย่นะเพราะว่าอยู่เขามานานแต่ว่าตอนหลังก็ดีใจรู้สึกว่าทำใจได้อดชมตัวเองไม่ได้ว่าเออเราทำใจได้นะนึกว่าจะอยู่โดยที่ไม่มีข้อไม่ได้หนะลังนั้นต่อมาประมาณสักเดือนเสศษๆเนะี่ยที่เลิกทางกันแยกทางกันเธอก็ไปเข้าคอสปฏิบัติธรรม เธอก็เข้าคอสอยเป็นประจำนะและเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอเนี่ยทำใจได้กากการที่ต้องอย่าร้างกับสามีเธอคิดอย่างนั้นแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอไปเข้าคอสเนี่ยแค่วันแรกเนี่ยจิตใจก็รุ่มร้อนมากเพราะว่าคิดถึงแต่สามีที่เธอยกหังหลังเธอใจนี่ยมันบ่นกลด่าสามี เหมือนกับว่าเอาเวลาของเธอที่ดีๆไปถึงสิบเอ็ดปีเอาไปปุยปุยยมหมดกลายเป็นสิบเอ็ดปีที่ศูนย์เปล่ามันร้อนรุ่มนะจนกรทั่งเธอก็แปลกใจว่าดีกว่าทำใจได้แล้วที่จริงอ่ะเป็นเพราะว่าไอตอนก่อนที่มาเข้าคลาสนี่เธอทำโน่นทำนี่มีอะไรทำเยอะแยะใจมันเกลืไม่ว่างที่จะมาคิดเรื่องสามี ที่เราจะหักหลังแต่พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันว่างนะไม่มีอะไรทำมากจิงก็ไดยหวนกลับไปนึกวันที่สองก็ยังร้อนรุ่มเหมือนเดิมทุกข์มากเลยนะไม่มีความสุขมันหาความสงบเด็นไม่ได้เลยขณะมาเข้าคอร์สวันที่สามก็ยังร้อนรุ่มนะข้างแขน แปลใจตัวเองทำไมเป็นอย่างนั้นแล้ววันที่สามมีช่วงหนึ่งค่ะที่เธอกลาลังเดินจงกรมเดินเนี่ยเดินเป็นชั่วโมงแล้เธอก็กุมมือไว้ข้างหน้าอยู่ในท่า น, นั้นเป็นชั่วโมงมันก็เมื่อยเธอก็ปล่อยมือพอปล่อยมือมันก็ความเครียดก็หายไปรู้สึกผ่อนคลายช่วงช่วงขณะนั้นเองที่เธอ ได้คิดว่าโอ้คนเราพอปล่อยแล้วมันก็สบายนะไอ้ที่เครียดพราะไปยึดไปถือเอาไว้พอจะคิดตรงเนี้ยมันก็ใจมันก็โล่งไปด้วยเลยพอช่วยไปรันึองที่เธอได้รู้ว่าไอ้ที่เธอทุกเนี่ยเธอเพอเธอเพราะว่าเธอไปยึดเอาไว้เรื่องสามีมันก็ผ่านไปแล้วนะมันเป็นอดีตไปแล้วก็ยังมัวจะไปคิด ไปหวนนึกลึกลก ล, กลึกถึงแล้วก็เกิดความโกรธแค้นตอนนั้นเธอไอ้ก่อนนั้นเธอไม่รู้ตัวว่าเธอไปยึดมันเอาไว้นะทั้งที่ทุกข์เหลือกเกินเนี่แต่ก็ยังไปยึดมนันเอาไว้แต่พอรู้ตัวเนี่ยจากการที่ปล่อยมือเนี่ยมันวางเลยนะเรื่องสามีนะที่อดีตสามีที่ทะเลาะหักหลังเธอวางเลย ใจก็โล่งสบายตอนนั้นเนี่ยนะถึงได้รู้ว่าโอเป็นพราะเราไปยึดเอาไว้ความทุกข์มันเกิดเพราะราไปยึดนะและ้วทำไมาถึงยึดทังให้ทุกข์เพราะไม่รู้ตัวตอนนั้นมันหลงเข้าไปหนะลงเข้าไปในอารมณ์ความโกรธความแค้นพอโกรธแค้นแล้วเนี่ยอารมณ์ความโกรธนี่มันก็ มันก็ทำให้จิตมันบบเพ่งเป้านะไปที่สามีก็เรียกว่าส่งจิตออกนอกพอจิตมันส่งออกนอกเนี่ยมันไม่กลับมามันไม่มารู้ตัวนะจนกว่าจะมานะมามองตนเนี่ยมองตนเมื่อไหร่มันก็รู้เลยโอ้เราไปไปแบกเอาไว้อันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษยกเว้นนะมันเกิดขึ้นคนทั่วไป ก็คือเราทุกข์เพราะยึดที่ยึดเพราะหลงหลงเพราะถูกอารมณ์ครอบงำํำคือความโกรธความแค้นในช่วงสามวันแรกเนี่ยนที่เธอทุกข์เนี่ยต้องเรียกว่าไม่ได้รู้ตัวว่าทุกข์นะแค่รู้สึกนะว่าทุกข์เจบมันแค่เหลือเกินแต่ไม่ได้รู้ตัวหรอกเพราะเธอรู้ตัวแล้วมันไม่ทุกข์พอเธอรู้ตัวว่าแบกไว้เนี่ย เธอวางเลยนั่นในเวลาทุกข์เนี่ยนะให้รู้ว่าเราทุกข์เพราะเราไม่รู้ตัวเพราะเราหลงถ้ารู้เมื่อไหร่ไม่ทุกข์นะแต่ที่ทุกข์เพราะไม่รู้ตัวเพราะหลงหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์เพราะเห็นนี้เนี่ยการแล้วพอหลงเข้าไปเนี่ยมันหาความสงบในจิตใจไม่ได้รอบตัวแม้จะสงบสงดัดไม่มีเสียงดังนะแต่ว่า หาความสงบในจิตใจไม่เจอเพราะมันรุ่มร้อนมันทุกขนะ์ทั้งหมดทั้งมวลก็เพราะหลงรานั่นจึงมีความสําคัญมากที่เราต้องทําความรู้ตัวให้เกิดขึ้นอย่างที่พูดไว้เมื่อวันสองวันก่อนว่าความสงบเกิดขึ้นได้นะเพราะรู้หลายคนเนี่ยปรารถนาความสงบด้วยการตัดการรับรู้ นะปิดตาดูในห้องที่ไม่มีเสียงมามารบกวนะบางทีก็นั่งนิ่งๆเพื่อจะได้ไม่ต้องไปรับรู้ไปเจอภาพเจอเสียงที่จะมากระทบให้ใจกระเพื่อมนะเรารู้จักแต่ความสงบแบบนี้สงบเพราะไม่รู้หรือสงบเพราะแต่การรับรู้แต่จริงเนี่ย ความสงบมันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะรู้ด้วยนยคือรู้ตัวเพราะฉะนั้นการสร้างตัวรู้ให้เกิดขึ้นเนี่ยจึงสำคัญมากการปฏิบัติที่นี่เนี่ยแม้ว่าดูเหมือนว่ามันทำให้ใจมันไม่ทำให้สงบไม่ได้นาั่งนิ่งๆต้องยกมือต้องลืมตาแต่ว่าอันนี้เป็นอุบายนยเป็นวิธีที่จะทำให้เกิดตัวรู้ แล้วทำให้เกิดตัวรู้ทีต่อเนื่องเป็นต่อเนื่องยืดยาวแต่ละวันของเราเนี่ยมันรู้มากกว่าหลงมันยังหลงอยู่นั่นจต่ว่าก็ให้รู้มากกว่าหลงอย่าให้หลงมากกว่ารู้ถ้าถ้าเรารู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นรู้ถีขึ้นถีขึ้ น, นจนกระทั่งไปจนกั่งขับไล่ความหลงให้หายไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเนี่ย เราก็จะมีจิตใจที่โปร่งเบาสุขแล้วก็สงบเด็นมากขึ้นไม่ต้องหลีกรลี่หนีมาอยู่ป่าไม่ต้องหลบมาหลบหลบมาเข้าวัดไม่ต้องปิดตาแต่เพราะตัวรู้นี่แหละนะรู้ไม่ปล่อยให้จิตมันหลงเข้าไปในความคิดหรืออารมณ์หรือรู้ทันนะเวลาความคิดมันเข้ามาครอบงำจิต ความคิดฟุ้งซ่านนะนะหรือว่าอารมณ์อกุศลต่างๆมาครอบงำอีกก็รู้รู้แล้วก็วางไม่ปล่อยให้มันมาครอบงำใจความสงบโปร่งเบาก็เกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถจะทำสิ่งที่ถูกต้องได้ตามปัญญาที่เรามีซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยรู้อีกแบบนึงเดคือรู้ความจริงนะอันนี้เป็นความรู้ที่ลึกซึ้ง แต่ต้องอาสัยการรู้ตัวเป็นพื้นก่อนนะรู้ตัวเนี่ยรู้ตัวเห็นกายเห็นใจรู้กายรู้ใจแล้วต่อไปมันจะรู้ความจริงของกายและใจรู้ความจริงของชีวิตการรู้แบบที่เขาเรียกว่าเกิดวิชานะตรงข้ามกับ อ, ว, อวิชามันนอนเนื่องอยู่ในใจเราต้องสร้างวิชาขึ้นมาแทนที่อวิชา แต่วิชาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย้ตัวรู้ตัวแรกนะคือความรู้ตัวซึ่งก็มาคู่กับอาการไม่ลืมตัวคือมีสติสติกับสัมปชัญญานี่สําคัญมากนะเพราะฉะนั้นก็ให้มีศันทะมีความเพียร น, นะในการสร้างให้ตัวรู้นี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆชานี้ก็พูดกันเท่า น, นี้อ่ะกราบครับ